กากษาจารครับผมจด้รวหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนบันท้อินเทอร์เน็ตกลับมาชัดเจนแล้วครับอาจารย์ครับเป็นปกตินอนโนาตั้งแต่บ่ัยไม่มีอะไรน่นอนครับอาจารย์ครับก็ ช่วงนี้ครับพระอาจารย์ก็มีข่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธมีดรา ม, ม่ากเกิดขึ้นมากพอสมควรครับบางคนก็บอกว่าศาสนาเสื่อมไปแล้วนะครับบางคนก็บอกยังไม่ไม่เสื่อมหรอกยังเจริญอยู่วันนี้ก็เลยจะขอโอกาสพระอาจารย์ครับเมตตาสั่งสอนว่าความเจริญความเสื่อมของศาสนาเนี่ยคืออะไรเราดูได้จากไหนและถ้าพวกเราเป็นคารวาสเนี่ยเราจะ รักษาความเจริญของศาสนาอย่างไรแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรครับอาจารย์ครับกัาบขอความเมตตาครับการเจริญนักการเสื่อมของพระพุทธศาสนาก็ขึ้นอยู่กับทำที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันนั่นเองเออถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมขั้นตา่างๆ และในการนำทาที่ได้บรรลุมาเผยแพร่สังสอนให้แก่ผู้นก็จะทำให้ศาสนาเจริญไปเรื่อยๆแต่ถ้าการใดเมื่อการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุและการเผยแพร่หดถอยลงลดน้อยลงไปความเสื่อมของศาสนาก็จะเกิดขึ้นมามัน ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสร้างวัดสร้างถาวรและวัตถุ ก, กันมากน้อยเพียงไรบวชพระบวชเนกันมากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นเปลืกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เนื้อของพระพุทธศาสนาเนื้อของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การบรรลุธรรมของที่พระเจ้าได้ทรงตัสรู้ เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงตัสรู้ธรรมแล้วนำเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจพอเพียอผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็บรรลุ ธ, ธรรมกันแล้วพอได้บรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็สามารถนำธรรมที่ตนเองได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ได้ต่อไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมที่แท้จริงอยากผูบรู้ธรรมก็สามารถน้อมนำออกไปปฏิบัติและรบรรลุ ธ, ธรรม ต, มตามขึ้นมาได้ก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นแรงหนึ่งดูดใจให้ผู้คนตา่ตางๆนั้นเข้าหาพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นไปเป็นจำนวนมาก แล้วก็ทําให้พระพุทธศาสนานี่เจริญรุ่งเรืองเราะฉะ้นเราต้องวัดที่จานวนของผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติและผู้ที่บรรลุธรรมและผู้ที่นำธรรมที่ได้บรรลุ น, นี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อืต่อไปเนี่ยเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาน ไม่ในวัาที่จำนวนประชากรของพระภิกษุหรือของสา ม, มเณงเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาหรือจำนวนของวัดวารามต่างๆทาวรและวัตถุต่างๆว่าเป็นการเจริญเรื่องเป็นการเสรื่อมของศาสน า, ศาถ้าเราดูความจริงในอนดีตในสมัยที่พูุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนนี้ เชื่อว่าเป็นยุคที่จเจริญที่สุดของพระพุทธศาสนาว่ามีพออระอรหันตสาวกบรรุ ธ, ธรรมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการเผยแผ่พระธรรมอันนี้ไปได้อย่างกวา้างไกลมีผู้สนใจศึกษาปฏิบัติ ธ, ธรรมกันและบรรุ ธ, ธรรมตามกันมาเป็นจำนวนมากโดยที่ทาววรรณต่างๆนี้แทบจะไม่มี เพราะว่าทารบอลวัฏุนนี้ไม่ได้เป็นตัวสาระสาคัญเพราะสาัเพราะว่าทารบอลวัฏฏุต่างๆนี้ดับความทุกข์ในใจของผู้ปฏิบัติไม่ได้นอกจากดับไม่ได้แนละ้วอาจจะกลายเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ในใจของผู้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะาจะกลายเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแล ร, รักษา ฉะนั้นถ้ว่าแล้วถือด้วยจำนวนของผู้ที่มาบวชี้ไม่จำไม่ถือว่าเป็นตัววัดที่แท้จริงเพราะการบวชี้บวชแบบไหนบวชแบบชเช้าเย็นศึกก็มีบวชเจ็ดวันก็มีบวชเดือนนึ่งก็มีแล้วบวชแล้วก็ได้ศึกษากันหรือเปล่าได้ปฏิบัติกันหรือเปล่าได้บรรลุธรรมกันหรือเปล่า อันนี้ถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่บรรลุ ธ, ธรรมก็จะไม่มีธรร ม, มาเพื่อแผ่สั่งสอนดึงดูดศรัทธาของผู้ที่ไม่ได้ไม่มีธรรมะได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมนี้จะเป็นผู้ที่สามารถเผยแพ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ ไม่รู้จักธรรมได้มีประสิทธิภาพทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างแรงกล้าที่จะน้อมนำมาประพึปฏิบัติและบรรลุธรรมต่างระดับต่อไปอันนี้แหละคือคือเป็นเรื่องของาศาสนาเนื้อห า, าศาสนาที่แท้จริงนี่อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็บอบให้กับหัวใจของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ที่น้อมนำเอาธรรมของพระทเจ้าเข้ามาสื่ใจด้วยการปฏิบัติก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีภในใจของตอนให้หมดสิ้นไปได้ก็เลยทําให้ตอนนั้นเห็นประสิท ธ, ธิภาพเห็นควรซ้อมบัด อันลิศอันประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทเจ้าว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทําในสิ่งที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไ ด, ได้ทําให้กับตนได้ก็คือกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดสิ้นไปได้แล้วเมื่อรู้ความจริงอันนี้ก็สามารถนาะความจริงอันนี้ไปเผยแผ่ไปบอกผู้อได้อย่างถูกต้องนั่นอย่าง ผู้นั้นได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเราปรปฏิบัติก็สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ใจใจของตัวเองได้อย่างง่ายดายและรดวดเร็วอันนี้นะเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้าศาสนาเจริญดึงดูดให้คนที่ไม่ศรัทธาให้มีศรัทธานักษาคนที่มีศรัทธาไม่ให้เสื่มศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ถ้าไม่มีการบรรลุธรรมนักในการเผยแผ่ธรรมแบบเพลิดเพถูกๆการราพูดของผู้เผยแพร่ธรรมก็ประพฤติแบบเพลิดเพลินถูกๆอันนี้ก็จะทําให้เกิดการเสื่อมศรัทธาของผู้ที่ไม่มของผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วและไม่สร้างศรัทธาให้กับผู้ที่ไม่มีศรัทธาเกิดขึ้นได้เพราฉะนั้น เราต้องดูที่การศึกษาของชาวพุทธนราหน้าการปฏิบัติหน้าการบรรลุธรรมหน้าการเผยแผ่ธรรมสมัยที่พระเจ้าทรงประกาศธรรมขั้งแรกนี่ทรงแน้นไปสอนผู้ที่สามารถรับธรรมะและนำาัไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว, วคือผู้ที่มี ทาที่รองรับพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอยู่แล้ ว, ล ว, ลวคือมีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งมั่นในสมาธิคือบรรดาท่านปวดต่างๆที่แสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเพียงแต่อาศัยการดับ ท, ทุกขณะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้น เวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็ยังวนกลับคืนขึ้นมหอีพอพระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมอันประเสริฐคือปัญญาแสดงอริยสัจสี่แสดงที่มาของความทุกข์และที่สิ้นสุดของความทุกข์ว่าเกิดจากการกำจัดต้นเหตุด้วยมาร์กอันแหลมคมของพระพุทธเจ้าคือปัญญา การเห็นใจรักนี้เห็นอริยสัจสก็สามารถที่จะทําให้สบู่ไทยคือตัณหากิเลสทั้งหลายที่มีในใจนั้นหายไปหมดไปได้ออกอิเลสตัณหาตัวที่ก่อความทุกข์ต่างๆให้กับใจหมดไปความทุกข์ต่างๆก็ในใจก็หมดไปสแสดงทำยุนแรกๆที้แสดงแบบระดับปัญญา ท่ากาแสดงมาให้กับพระปัญจวัคคีย์ห้ารูทรงแสดงอลัลยสสัตสมรักแปดพอแสดงธรรมเสร็จเด่นในพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาหลังอย่างนั้นก็ท่งแสดงพระอนัตลนตลักษณ์อนัสุแสดงความไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมทั้งปวง ก, ก็ทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างพร้อมกันห้ารูป หลังจากที่ท่านเหล่านี้ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าให้ไปนํำทำมันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ต่อไปโดยให้แยกกันไปคนละที่คนละทางไม่ให้ไปร่วมกันเพราะว่าจะทําให้ธรรมะจะกระจุกตัวให้แยกกันไปคนละที่คนละทางไม่ให้ไปสองสามคนพร้อมกันในในทิศเดียวกันให้แยกไปทึศละคน ทิศและทางหละคนเพื่อจะแนะนำธรรมประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้พระว่ทธเจ้าก็ทรงดำเนินการเผยแผ่ต่อไปโดยม่วงไปตามสำนักต่างๆที่มีผู้ที่มีนักบวชที่มีศีลมีสมาธิอยู่แล้วก็สามารถสอนเ้าให้บรรุธทรมได้อย่างาง่ายดายแลวรวดแล้วเพียงระยะเวลาประมาณแปดเดือนด้วยกันคือทรงแสดงธรรมาเจ็ดเดือน ทรงแสดงธรรมั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาซาบูชาแล้วต่อมาเจเดือนคือ8ปบกสี่ก็สิบสองสิ้นปีแล้วก็เพิ่มอีกสามคือวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์หนึ่งสองร้อห้าสิรูปที่พูะเจ้าเป็นผู้สอนผู้บวชให้ สอนให้บรรลุเป็นพระาอาหารหันเป็นเอหิภิกขุแล้วก็ขอบุตในพระพุทธศาสนาที่ได้แย ก, แ ย, ก, แ ย, กแย้ายไปยังคนละที่คนละทานเพื่อไว้แผลทำให้แก่สัตว์โลกวันนั้นมีความรู้สึกอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันก็เลยมาเฝ้าพร้อมกันในวันเพ็ญเดือนสามซึ่งเป็นปรากฏการณ์อันสัจจันร์ที่มีพระอาหารหันต์ ถึง 1,250 รูปมาพบกันในสถานที่เดียวกันอันนี้ก็เป็นเป็นหลักฐานยิ่งให่าศาสานานั้นกำลังเจริญงุ่งอ่างว่าเพียงในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนนั้นเองก็ปรากฏมีผ้าหายตัง 1, 000, ้ง 1,250 รูปแล้วคิดดูผ้าหนึ่งพันสงรหสิบรูปนี้จะสามารถนำเอาทรรม็นเรื่หาให้กับผู้ ถ้าสอนให้พูดให้บรรลุ ธ, ธรรมนี้เป็นจํานวนสักเท่าไหร่ดูอย่างตัวอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างสมัยพระอาจารย์มั่นนี่ยพอท่านบรรลุ ธ, ธรรมองค์เดียวนี้ท่านสามารถสอนให้รรลูกศิษย์โตหาวท่านบรรลุ ธ, ธรรมเป็นจํานวนมากเป็นหลายสิบรูปด้วยกันกูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ยินชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์แหวนหลวงปู่วแวน ผูกขาวพระอาจารย์ปันป้นพระอาจารย์ลรยหลวงพ่อเีหลวงตามหาวโรและ อ, อ, อ, อื่นอีกหลายรูปที่ไม่ได้กล่าวถึงนี้ก็มาจากการบรรลุธรรมของพระของพระอาจารย์ปั้นเพียงรูปเดียวพระฐานรูปเดียวนี้สามาร ถ, ถลผลิตพระฐานขึ้นมาเป็นจํานวนมากเราคิดดูพระฐานหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปนี้จะไปผลิตได้เท่าไหร่แล้ว ผ้าหลานที่ได้รับการปรผลิตจากผ้าหาลาน 1,200 ศูนย์นี้ก็จะไปทวีคูณการผลิตผ้าหลานขึ้นไปจึงถือว่าอายุคของพระเจ้าในี้มีผ้าหลานมากกว่ามาัดวาล่ะผ้าหลานสมัยผ้าสมาัยก่อนนี้ท่านอยู่ง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนที่มีที่หลบแดดหลบฝนได้ทีมีที่พิษเป็นตบารได้นั่นไม่อยู่ไหม อยู่ตามเรือนร่างเรื่อทธรก็ต๊อบเป็นอยู่ใหอยู่ตามพ้าตามผาเป็นไม่มีวัดวาเป็นเป็นหลักเป็นแ ห, หล่งเหมือนสมัยนี้แต่ต่อมามีศรัท ธ, ธาผู้ที่มีศรัท ธ, ธาในการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระอหรหันต์ท่านก็อยากจะให้ท่านมีที่อยู่า ท, ที่ที่มั่นคงที่สบายก็เลยได้สร้างวัดสร้างวาอะไรขึ้นมา แล้วเป็นที่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจร่ามาป่วยใหม่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมก็เลยปรากฏมีวัดวารมเพิ่มขึ้นมาแต่วัดวารามนี้ไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกถึงความเปไรเพราะว่าสมัยนี้เรามีวัดเยอะมีผ้าอยู่ในวัดที่น้อยบางวัดที่ร้างหาผ้าอยูไม่ได้หรือบางวัดก็มีผ้าอยู่เองสองสามรูปเท่านั้น พอเราไปเน้นสร้างวัดกันสร้างโบวถสร้างเจดี ย, ย์เราไม่เน้นสร้างพระอาหารหันต์กันสร้างยกตัวอย่างมาีเรื่องเล่ามาให้ฟังหลวงตามหาวัวนี่ท่านเคยได้รับาการขอสร้างพระอุโบสถคือบสถในวัดป่า ว, วัดพนวัาบ้านปาจากคนอยากให้หลงวงราชการที่เก้า หนูตาได้สมปฏิเสธไปหนูตาบอกว่าท่านเน้นสร้างพระมากกว่าสร้างท้าวรวรวัฒน์ถพราะท้าวรวรวัตนนี้ไม่มีความจะเป็นเพราะที่ปฏิบัติส่วนให ญ, ญ่นี้ไม่ต้องใช้พระอุโบสถแล้วสร้างมาแล้วก็จะมาเป็นทาาะให้กับผู้ที่จะต้องดูแลรักษา แทนได้จะาเวลาไปปฏิบัติก็ต้องคอยมาดูแลรักษาพราะองค์ยูสแล้วช่วงขณะที่ก่อสร้างก็จะส่งเสีย ง, งดังงบกวนการปฏิบัติของผูนเนิ่ในวันดังนั้นเลยขออนุญาตปฏิเสธไม่ขอรับพระองค์ดูว่าปาบบัาตา์ยังไม่มีบวชมาจนถึงวันนี้แต่ตำห น, นังมีเจดีกโลขึ้นมาทั้งที่ท่านก็สงสั่งไว้ ตอนที่จะจากไปว่าไม่ให้สร้างเจดีแต่ก็ไม่ทราบเป็นพาอเห็นใดมีผู้เห็นว่าการสร้างเจดีนี่เป็นเป็นการสร้างหรือทำนุบำงพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ <c oughs> ไม่ปฏิเสธไม่ว่าใครอยากจะสร้างอะไรก็สร้างไปแต่ถาววรวัตรโบจดีนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์แต่ใจของผู้สร้างได้ ต้องธรรมะของพระเจ้าที่ได้ศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติน้อมนำเข้ามาในใจเพื่ อ, อกำจัดกิเลสตันหาที่ครองหัวใจของผู้ปฏิบัติมาเป็นเวลาันยาวนานให้หมดสิ้นไปเพื่อจะได้บรรลุธรรมอันประเสริฐและเมื่อบรรลุแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ให้กับโลกได้มากยิ่งกว่าเจดีบ JD ุทั้งหล ขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับผมถามต่ออีกนิดเดียวครับพระอาจารย์แล้วยังปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มีเรื่องราวดราม่าอย่างเงี้ยนะครับพวกเราในฐานะชาวพุทธเราควรจะวางทา่าทีวางจิตใจอย่างไรครับเพื่อที่จะให้ศาสนายัางเจริญอยู่ในจิตในใจของเราครับอาจารย์ก็ไม่ได้ศึกษากันนะทั้งพระทั้งโยมพระก็ไม่ไม่ศึกษาโยมก็ไม่ศึกษาโยมก็เลยไม่รู้วิธีปฏิบัติกับพระที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรโยมก็ไม่รู้ว่าวิวธีอยู่พระที่ ดีกับพระไม่ดีนี่ดูอย่างไรกลับไปดูว่าพระองค์ไหนให้ใหวยให้เบอร์เก่งกับหาว่าพระนั้นดีพระไหนไม่ให้ใหวให้เบอร์นี่ถือว่าไม่ได้เลือกน่ยแะมันมันเสื่อมทั้งในพุทธบริษัทศีจะไปโทษภาพระฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องโทษอยูมด้วยพุทธบริษัทศีนี้อมีภิกษุภิกษุนี้หมดไปแล้ว้าเอาสัมมาเนมมาเข้าแทน แล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาคือการว่าญาติยูการว่าญายูก็ไม่รู้ว่าพระวินัยของพระมีอะไรบ้างาวิธีการปฏิบัติกับพระที่ถูกต้องควรจะปฏิบัติอย่างไรเช่นสีการนี่มาวัดควรจะแต่งตัวอย่างไรควรจะอยู่ใกล้พระอย่างไรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้พระเองก็ไม่รู้หลวงมาเลาก็ไม่ได้ศึกษาไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอน ก็เลยทำกันแบบผิดผิดถูกถูกมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะธรรมวินัยนี้เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อรักษาปกป้องพระที่มาบวชไม่ให้ไปถูกกำน้าของกิเลสตานหาครอบงำนัำ้นพาให้ไปทำในสิ่งที่เสื่อมเสียนั้นจะต้องถูกจับศึกมิลาศิขาไปต่อไป แล้วเนี่ยคือบืองตอนก็ไม่มีนะคือศึกษาเนี่าว่าแต่ปฏิบัติไงญาญโยงก็ไม่รู้ว่าตารางเช็คสี่ของพระเป็นยังไงแค่นี้สี่ข้อนี้ก็ไม่รู้ว่าพระนี้ท่านขัดจากการเป็นพระเพราะอะไรแล้วก็ญาญโยมก็ไม่สนใจเวลามาวัดก็ไม่ได้เข้าหาพระกันส่วนใหญ่ไปหาหาพระพทธรูปกัน ก็ส่วนใหญ่มาขอพอรกันอยากได้อะไรก็คิดว่ามาเอาพุทธลูบในบวชนะเมื่อไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องหวังเพิ่งทางนี้ทางเดียวหรือถ้าไปหาพระก็ขอให้พระให้พอรอย่างเดียวไม่มีเวลาที่จะทำธรรมเนื้อชนนาธรรมกับท่านมันก็เลยขาดการศึกษาเนื้อไม่มีการศึกษาการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่มี งาปฏิบัติไม่ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีมันก็เลยปฏิบัติได้เท่กันต้อเลยทําให้เกิดการการเสื่อมเสียขึ้นมาบวชแล้วก็เดมชุรากันจัดปาร์ตี้กินอาหารค่มกันอะไรนอยแปดพันะ 108, ประการอันนี้รับประการางงนักบวชนี้บวดแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมวินัย ภาพบวชใหม่นี่ต้องอยู่ศึกษากับผูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าปีก่อนที่จะสามารถที่จะไปอยู่ตามลำพังได้แต่นี่บวดเจ็ดวันปั บ, บวนมาปักขอไปทุดดงเลยก็มีอะไรกันไปนทุดดงกันไปหาอะไรทำวินยัยวินัยของตนเองสองวาสสงวศีลสภาวะยึเจ็ดข้อยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้า ก็เลยปฏิบัติแบบไม่ถูกพรปฏิบัติแบบไม่ถูกมันก็ไม่สวยงามแบบที่กลารหาทำให้ผู้ที่มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่เกิดศรัทธาเลยนี่แหละคือยุคเสื่อมของพระวุตสาสนาเพราะว่าขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติวัาที่ศึกษาและปฏิบัตินี้มีน้อยมากส่วนใหญ่ก็ เราเราท่านท่าน ท, ที่มาศึกษาคงจะรู้กันว่าเป็นอยู่ที่ไหนบ้างพระที่วัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมไม่อยากจะพูดอยากจะหาว่ายกหางปวดหัวทะเลก็ท่านมีดวงตามีปัญญาก็พิจ า, นานรณาดูอเอาก็แล้วกันว่าที่ไหนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่ธรรมมีการบรรลุธรรม ก็อ น, นันต์หลักคือเป็นเป็นเป็นส่วนที่ยังไม่เสือ่อมแต่ถ้าไปที่ไหนไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุไม่มีการเผยแผ่ธรรมจุดนั้นหลัเป็นจุดที่เสือ่อมมันจะไปเหมาล่วมกันหมดว่าเสือ่อมหรือจะเปนทุกทุกจุดไม่ได้เนี้ต้องสังเกตครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับผมจะน้อมนําไป ศึกษาและปฏิบัติต่ตอไปครับผมเอยากข อ, อกัดอาจารย์ถามคําถามจากเพื่อนๆนบ้างนะครับคุณรัตนสุดาครับบอกว่าพระโสดาบันเสพกามต่างปุถุชนเสพกามยังไงคะสาธุ ค, ค่ะไม่ต่างกันแต่ว่าพระโสดาบันนี้ท่านจะไม่เสพกามด้วยการประพฤติผิดประเวณีท่านจะรักษาศีลไปด้วยแต่ปุถุชนบางคนที่เสพกามแต่ไม่รักษาศีลก็จะ เป็นเหมือนเดรัชานนะพวกสุนัขนี่เขาเสดเขาเจอใครเขาชอบอะไรตัวไหนเขาก็เสดขาร่วมกันปลาไาลนี่ก็เสดแบบนี้ไปตามสถานบันเทิงต่ตางๆไปหาคู่กันแล้วก็ไปร่วมหลับนอนกันเช้าไปแยกกันไปคนละทิศคนละทางค่ำก็ไปหาใหม่กัน น, นี่ปุถุชนเสดอย่างนี้ถ้าอยจะเสดแบบแบบพาโสโซนาบาร์ก็ต้องแบบ ไม่ประพฤติผิดประัยนี้คือต้องเสพกับคู่ครองของตอนเองเท่านั้นคือสามีและภระระยาของตอนถ้ายังไม่เป็นสามีภระระยาห้ามเสพตดยเด็ดขาดคุณนอรลักษณ์ครับถ้าถือศีลห้าแต่ไม่หลับนอนกับแฟนจะได้ขั้นไหนเจ้าคะไม่ได้ขั้นศีลห้าเทหานั้นกองการไม่หลับนอนนี้ไม่ได้หมายถาว่า การมราธิมันจะตายมันจะหมดนะมันคือถ้าไม่ลับนอนก็การมาราคาิ์หมดส ม, มุตินะไม่มีการมาราธิอยู่แล้วเห็นร่างกายแฟนทีละเห็นเพศตรงข้ามทีละก็เห็นซากศพอย่างนี้อันนี้ก็ว่าเป็นพระอนาคามีอะไรก็ได้แต่อันนี้ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปลนะ่าะถ้าเป็นผู้ผู้คารวะผู้ครองเรืนอนยู่ เห็นดับถึงสีห้าแล้วก็ไม่ไม่ไมร่วมหลับนอนอะไรนี้อาจจะด้วยสาเหตุอื่นก็ได้อันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นสาเหตุก็ไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่เล ย, เ, ลยเพราะทุกครั้งเห็นร่างกายของเพศตรอนข้าวนี้หรือเพศที่ที่เคยมีกามอารมณ์ด้วยเราเห็นทีไรเห็นเป็นซากศพทุกครั้งไปมันก็ เร้ว่าจะบรรลุขั้นพระอนาคามีก็ได้แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วต้องคงจะไม่ไม่มีแฟนแล้วนะแฟนก็เตะที่มันที่บอกไปอยู่วัดดีว่าเพื่อปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปถ้ายังอยู่กับแฟนก็ยังแสดงว่ายังมีอยู่ความยึดมั่นอยู่ในตัวบุคคลและด้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แฟนยังมีให้อยู่ก็ได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ น, น แต่ก็พูดไม่ให้ไ ม, ไม่ไม่ปิดกั้นเดียดด า, าว่าเป็นภรานาธามนี้ไม่ได้เป็นได้ถ้าไม่มีการมาลงจริงๆก็เอว่าเป็นภรานาธิมนี้ได้นะคุณตวงธรรมครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวแต่ไม่ได้นั่งสมาธิจะได้มีโอกาสเป็นเทวดาบ้างไหมครับของการเป็นเทวดานี้เพียงแต่ให้รักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญบ่อยๆทนี้ก็ได้เป็นเทวดานะครับ ถ้าอยากจะเป็นพรหมนั่นน่ะท่านจะต้องนั่งสมาธิต้องเข้าฌานคุณสมพรครับน้อมกราบคําแนะนําการอยู่คนเดียวการเลิกคบเพื่อนที่ทําให้เกิดความไม่สงบทางจิตใจควรใช้ธรรมะข้อใดครับน้องกราบสถูกครับก็ต้องใช้พรหมวิหารสีที่เรายเมื่อ เ, เรายังต้องอยู่กับคนอยู่เราก็ต้องเวลาเจอคนเราก็ต้องมีความเมตตาต่อกัน มีความเมตตากรุณาเมิตาต่อกันแต่ถ้าเราเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็ให้มีอุเบกขาหรเราก็ทาใจให้เฉยเฉยไม่มีความที่จะไปอยากจะไปหาคนนั้นหาคนนี้ไปรักไปชังใครอย่างนี้เราก็จะมีความสมงบทางจิตใจต้องรู้จกักใช้พรหมริขิถ้าอยู่คนเดียวต้องพยายามให้มีอุเบกขา ก็จะได้กำจัดความลากความชังได้ถ้ายัางมีความนักอยู่เดี๋ยวก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เหงาขึ้นมาอยากจะไปพบงเขามันก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่คนอื่นแล้วไปทําตัวเป็นอุเบกขาก็ไม่ถูกเมื่ไมอไปอยู่กับคนเมื่อพบปะ ก, กับคนก็ต้องมีความสัมพันธไมาตรีกันมีความมีมีความเมตตาต่อกัน มีความเป็นมิตรมิตรภาพคว่าเมตตาก็คือมิตรภาพการุณาก็คือความช่วยเหลือกันความสงสารบุริตาก็คือความยินดีในความสุขในความจจแบิญบของผู้ก็ต้องฝึกใช้ภูมิฐานสให้ได้คุณบอดิ อ๋อชอครับนัมรสการพระอาจารย์ครับฝากคาถามขอความกรุณหาอธิบายอัตตาอนตตาสัตตาครับเอาคำสุดท้ายก่อนสัตตาท่านหมายถึงสัตว์ทั้งหลายสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดราจฉานะคือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในในสัมสารวัตรไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเอ็นเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นเดรัจานนี้เรียกว่าสัตตา ตัวนามนี้เป็นสัตตาสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงข้าใจกคำนี้สัตตานี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์ใรละชานเพียงอย่างเดียวหมายถึงสัตว์ทุกชนิดที่เวียนว่าตายเกิดในสังสารวัฏแล้วก็มาที่อัตตาคำอัตตาก็คือตัวตนเช่นเราว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราว่าเปป็็นนเเราเป็นร่างกายาถือร่างกายว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเรา ส่วนอนัตตานี้คือไม่มีตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนตร ง, งกันข้ามกับการมีตัวตนความจริงที่ถูกต้องแล้วร่างกายของพวกเรานี้มันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวเราแต่เนื่องจากความหลงของจิตที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวจิตเป็นตัวที่มาเกาะนั้น ก็เลยเป็น ต, ตัวตนขึ้นมาแล้วโอกาสตัวตนก็เกิดความยึดเกิดความผูกพันโอกาสความรังความหวงก็เลยทําให้เกิดความทุกข์เวลาที่ต้องสูญเสียร่างกายที่ตัวนี้ลากไปถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องกล้าด้วยการมองความเป็นจริงให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ที่มายึดมาเกาะมาติดไม่ใช่เป็นร่างกาย เพียงแต่ผู้มาใช้เพื่อมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ทําอะไรต่างๆตามความต้องการของของใจผู้ที่ยึดติดเท่านี้แต่ต้องยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของผู้ที่ยึดติดแล้วก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันสิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งถ้าไม่ยึดไม่ติดและาร้อมที่จะให้ร่างกายนี้เสื่อมหรือสิ้นสุดลงผู้ที่มายึดติดคือใจก็จะไม่ทุก การเป็นความตายของน่างกายคุณสมพรครับการนำเสนอการพระอาจารย์ครับขอความกรุณาอธิบาย อ, อ๋อขออภัยครับคําถามเดิมคุณสมพรคําถามนี้นะครับน้องกราบคําแนะนําพระอาจารย์ครับการเป็นตัวของตัวเองต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรใช้หลักธรรมข้อใดยอย่างไรครับคือเราต้องทําอะไรด้วยตัวของเราเอง การเป็นตัวองค์ตัเองก็คือพยายามอย่าขึ้นคนอื่นขึ้นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะพึ้นได้ยกเว้นในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเราเเราก็ต้องคอยคอยอาศัยผูทําให้กับเราในสิ่งใดที่เราทําเองได้ให้เราทําเองกวาดบ้านได้กวกวาดเองซักเสื้อผ้าของตัวเองได้ก็ซักถ้าอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งผา้อาศัยผู้นันก็จะทําให้การอยู่คนเดียวนี้เป็นไปได้ง่าย แต่ถ้าเราไม่พึ่งตนเองเราต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้การที่จะไปเปรกยบวิเวกอยู่คนเดียวก็วกจะรู้สึกย า, ายากขึ้นมาเพราะยังต้องพึ่งคนนั้นทํากับข้าพึ่งคนนี้ซักเสื้อผ้าพึ่งคนนั้นหว่านบ้านถือบ้านให้แล้ว่อพึ่งเขาก็ต้องใช้กับต้องต้องต้องทดแทนเ ข, เขาก็ต้องให้ค่าอะไรเขาเรื่องอะไรเ ข, เขาก็ต้องไปหางานทำหาเงินหารหายได้ม า, า, นานมันก็เลยทําเราโค พ, พันอยู่กับการหารการใช้เงิน ต่างๆนี้เพื่อเพื่อรักษาชีวิตร่างกายของเราให้อยู่ไปได้แต่ถ้าเราหัดหัดทำองทุกอย่างนี้เราก็า จ, จะไม่ต้องไปทํางานมากก็ได้ถ้าต้องทำํำก็ไม่ต้องทาําว่าน่าจะไปทำแบบที่สบายก็คือไปเป็นพระนี่ป้าก็ทํางานหาเลีชีมด้วยตัวเองบินนบาดด้วยตัวเองฉันก็ฉันชันเสร็จภาชนะที่ฉันก็ล้างเอง จีวรที่ใส่กัซักเองอย่างมาบวชพระนี่ไม่ให้มีไม่มีคนรับใช้มายังมีเรื่องล่ายฝ่าอยเรื่องอาละวาบางท่านไม่เข้าใจการบวชพระมีลูกในคนคนหนึ่งเนี้ศรัทธาในตัวหลวงตามากคือพ่อพ่อแม่เขาในผลในศรัทธาในตัวหลวงตาแล้วลูกเพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาจากนู่นนั่นก่อนที่จะไปใช้ชีวิต ทำงานทำการก็อยากให้ผู้รู้ได้มาโอกาสได้มาบวชมาศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัด ต, ต, ต่างวัดตาก็เลยขออนุญาตหลวงตาว่าจะเอาลูกชายมาบวชอยู่ที่วัดหลวงตาท่านตัเมตตาแล้วไปแต่ตอนใกล้บวชนี้เขามาพูดหรอวา่าอยากจะให้มีตำรวจให้มีคนรับใช้มาคอยรับใช้พระลูกชายได้ไหมมาช่วยนั่งบาตมาช่วย พอเห็นมาพยายาเห็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกขาอะไรก็เราคิดว่าพ้าต้องมีลูกศิษย์ลูกขาเราบอกไม่ได้หรอกทำนี้ไม่ได้ถ้าอาจารย์ลูกผิดมาพ้าก็ไม่ต้องมาลูกชายก็ไม่ต้องมาถ้าลูกชายมาก็ไม่ต้องเอาลูกศิษย์คนรับใช้มาเพราะการดวนนี้เป็นการฝึกฝนให้ช่วยตนเองพ้าบวชหมาทุกลูกเนี่ยไม่มีใครทาอะไรให้ทุกทํามันตัวเองนอกจาก ทำให้ตนเองแลยังต้องไปทําให้กับผูบาอาจารย์ด้วยซ้ำเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความเสียสละเป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้บาอาจารย์ที่อุตส่าห์สั่สอนอบรมให้กับตนเองแต่เนื่องจากเมื่ออยู่เป็นนานปฏิบัติเป็นา น, านานเข้าจนเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาก็มีผู้มีจิตศรัทธาอยากจะตอบแทนบุคคุณก็มาม า, มาปฏิบัติอย่างนี้ อั น, นีแต่ผู้ที่มาบวชใหมน่นี่ต้องเข้าใจว่าการบวชนี่เป็นกา ร, รับฝึกขึ้นตนเองทุกอย่างไม่มีคนรับใช้ไม่มีคนที่จะมาคอยทำอะไรให้ต้องทำเองทุกอย่างแล้วสรุปลูกในผลได้บวชไหมครับอาจารย์คงได้บวชไม่จำได้ได้บวชแตก่ก็ไม่เอาคนรับใช้มา แต่คุณใจครับผมว่าศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมใช่ไหมครับเป็นเพราะภิกษุบางรูปไม่สนใจพระวินัยใช่ไหมครับเพราะนั่นแหะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามพระวินัยไม่ศึกษาพระวินัยไม่รู้ข้อห้ามต่ตางๆของพระภิกษุมันก็เลยทําให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สวยงามขึ้นมาคุณตะครับเวลานั่งสมาธิและเดินจงกรมชอบนั่งช่วงเช้ามืดตีสี่ค่ะ นั่งแล้วสบายใจช่วงที่นั่งสองทุ่มจะรู้สึกว่านั่งไม่นานค่ะหงุดหงิดค่ะจะทำอย่างไรดีคะน้องกาบอธ ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อยอมรับความเป็นจริงว่าช่วงหมวค่ำนี่แล้วอาจจะมีอารมณ์ข้างๆจากตอนที่เราไปทำงานมาตอนกลางวันอารมณ์เหล่านี้มันยังข้างๆอยู่มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อ ก, การภาวนาของเราได้แ้วพอ เราได้พักก่อนหลับนอนแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดนี้เริ่มงาบที่ข้างๆอย่ในใจมัญหายไปหดนะมันนะก็เรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิตอนเช้ามืดนี้มันสบายกว่าเพราะไม่มีอะไรมาออเป็นอุปสรรคความก้นกา ร, ารทําใจให้สงบยังมีคุณกัลลิลัตครับพระอาจารย์ครัใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ทำบุญแต่ไม่ค่อยนั่งสมาธิภาวนาจะสามารถเข้าถึงธรรมได้ไหมคะการจะเข้าถึงธรรมนี้ต้องศึกษา แล้วปฏิบัติเช่นวันนี้ม า, มา ท, ทำเทสทำธรรมตอนเนี้นเรานํำอาใบ ป, ปฏิบัติก็จะเข้าถึงธรรมได้ถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้ถ้าไหวพรสว่วนบุญทําบุญนี้ก็ได้แค่อบุญ น, น, นั้นเองบุญที่เกิดจากได้ความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญส่วนบุญก็อาจจะได้ความสงบมากน้อยได้สติมาก ถ้ารักษาสี่ห้าได้<ม>ก็จะทำให้ได้เป็นไก่เป็นเทวดาเป็นอย่างมากคุณสมทวินครับกราบเรียนพระ อ, อาจารย์เจ้าคะ่ะนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกและเดินจงกรมทุกวันมักรู้สึกเสมอว่าเสมือนมีตาที่สามเห็นรูปนามคือเห็นกายนั่งอยู่เห็นกายหายใจและรู้ว่าลมหายใจที่เข้าออกนั้นเวลาเดินจงกรมก็เห็นกายเดินรู้ว่ารู้เท้าสัมผัส พ, พื้น เวลาออกจากสมาธิและเดินจงกรมแล้วยังเห็นยังรู้สึกเช่นนี้อยู่ก็มีกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คำแนะนําจะต้องทําอย่างไรกับเสมือนตาที่สามนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็พยายามไม่มีตาที่สามี่ตลอดเวลาตาที่สานี่ก็คือสตินี่ตัวนี้ให้รู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ร่างกายเรากำลังทำอะไรไม่ใช่ตลอดเฉพาะเวลานั่งสมาธิกับเดินจงกรม น, นะคะให้รู้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยว่า ตอนนี้ร่างกายของเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนอยู่กำลังลุกขึ้นมากำลังยืนกาลังเดินกาลังข้านะกําลังทากิจหน้าขนะ้าวน้ำให้ดูไปตลอดทั้งวันแบบนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิใจจะสงบได้นะสงบได้นานนะคุณสุภาพรครับขอถามเรื่องความมั่นคงของสติเราจะให้มีสติต่อเนื่องได้แบบไหนเพราะหมดสติไปโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ ก็ต้องให้เรารู้อยู่ทุกเวลาว่าเราว่าร่างการเรากำลังทําอะไรอยู่อยู่ในท่าไหนอยู่ในท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนแล้วก็ท่านทำอะไรก็ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรกำลังรับประทานอาหารก็ต้องอยู่การรับประทานอาหารกําลังทําทอะไรก็แล้วแต่ขับรถก็ต้องให้อยู่กับการขับรถอะไรก็ต้น ถ้ามีการรู้ตัวอยู่กับล่างการยตลอกเวลามันสติ ก, ก็จะหดไปไม่ได้หายไปไม่ได้คุณอุครับกาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในยุคปัจจุบันที่ข่าวสารมากมายส่งผ่านกันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะข่าวดราม่าต่างๆเราจะมีหลักการในการพิจารณาอย่างไรว่าเราควรเชื่อหรือไม่คะกาบพลอกุล ค, ค่ะก็ ถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นจริงแล้วก็อย่าพึ่งไปเชื่อแล้วก็อย่าไปปฏิเสธให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนแลว้วก็เอาเวลามานั่งไต่ตรองพิจารณาดูตามหลัความเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงก็มั่นใจว่าเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นก็เชื่อได้ถ้ายังไม่เป็นจริงไม่มัน่นใจร้อเปซ็นก็อย่าพึ่งไปเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธให้ ให้ถือว่าเหมือนกันเราไม่ได้ยินได้ฟังมาแล้วกันได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ยังไม่สนใจไปทำใดทำหนึ่งเพราะเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราต้องรอให้มีเวลาได้พิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือไม่ก่อนเราถึงจะรู้ได้อย่างมั่นใจร้อยเปร็นว่าอันนี้จริงนะอันนี้ไม่จริงนะคุณสมพรครับการใช้ชีวิตในยุค ข, ข้าวยากหมากแพงนะ้ำมันแพงให้มีความสุข อย่างไรครับพอาจารย์ครับใช้สันโดษเนี่ยออมักน้อยสันโดษมันน้อยก็คือใช้ได้น้อยอย่างเมืช้านี้มียาตยองคนหน่มาใส่บาตรเราเขาทํางานอยู่อีกอาเภอหนี่งเราก็ถามว่าขับรถไปเรือมอมขับรถไม่ไหว้วการ น, นั่งรถโ ด, ดยสารไปน้ำมันแพงเราต้องรู้จักปรับตัวเราลดการใช้จ่ายของเราให้ให้อยู่ใน ในฐานะที่เราสามารถที่จะใช้ได้อย่าใช้เกินตัวอย่าใช้เกินรายได้ของเราเพราะถ้าใช้เกินรายได้มันก็จะไม่พอใช้แล้วมันก็จะเป็นนี่เป็นสินเนื่องเวลาอา จ, จะเดือดร้อนถ้าไปกู้นิ่นสินไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักจลดลดการใช้ใจ่ายนมด้วยการใช้มันน้อยลงไปใครกินของแพงๆก็เปลี่ยนมาสกินของที่ถูกหน่อยอันนี้ก็จะลดนม ใครที่จําเป็นจะต้องมันสะดกสบายพวกเขาว่าไปไหนมาไหนก็ล า, าเปาลี่ยนบางรถใช้รถเนใช้รถสาธารนณะมันก็จะช่วยลดรายจ่ายแล้วเราก็จะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปยืมมอหนาเงินหาทองมาให้ใช้กับค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นไปตามราคาของที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องลดการใช้ใจา่ายลงซึ่งลดได้เพราะของมันมีหลายราคาหลายระดับเพียงแต่ว่าเรามันชอบ ขึ้นเราไม่ชอบลงชอบเลื่อนระดับขึ้นเวลาลงเราลงไม่ได้เราย้อนกลับไปสมัยที่เราเป็นเด็กไป็รง เ, เรียนวันนึงเราได้ค่าขนมดีตังเราก็อยู่ได้อาหารพ่อแม่จัดอาหารให้เรากินเราก็กินได้ไนี่นก็ให้เรารู้จักการลดการค่าใช้ใจา่ายโดยการมัดน้อยใช้ใช้ของให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นอย่ฟุ่มเฟือย เราก็ใช้ของที่ถูกที่สุดแต่ได้ประโยชน์เท่ากันเช่นอาหารเนี่ยอาหารมือมอม้อละห้าสิบก็มื้อละห้าร้อยมันก็อีกเหมือนกันเรเอาความอิ่มเป็นตัววัดเรากินเพื่อดับความหิวไ ม, ไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขว้าโอ้ยวันนี้เราได้กินอาหารหมูหราไม่ได้เป็นไรกินพัตตาพัตตาคารอะไรกินข้าวข้างถนนก็ได้ข้าวแกงข้างถนนก็ได้กินเพื่อดับความทุกข์ดับความหิวของร่างกาย เพื่อปรยูใ่ในร่างกายอยู่ต่อไปได้นะครับเนี่ยคือการการการกินอาหารเสื้อผ้าสมเหมือนกันเสื้อผ้าก็มีไว้ปกปิดร่างกายจะเสื้อร้อยบาทหรือเสื้อห้าร้อยบาทมันก็ทําหน้าที่อันเดียวไปถ้าเราไม่มีเงินห้าร้อยจะซื้อเสื้อห้าร้อยมีเงินแค่ร้อยก็ซื้อเสื้อแค่ร้อยเดียวไม่ว่าถ้าเสื้อของเสื้อผ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็อย่าเพิ่งไปซื้อของใหม่ใช้ของเก่าไว้ก่อน มันทำหน้าที่ได้เหมือนกับเสื้อผ้าของหมายเสียงเงินไปเปล่าๆทาไมวิธีเหล่านี้ใช้เหตุใช่ผลในการบริโภคแล้วนะเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ลงอย่างมากและทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขเพราะเราไม่เดือดร้อนกับเรื่องเรื่องที่เรื่องเงินทองขัดเพ ร, เราะเราจะมีเงินทองรายชาอยู่จากคุณสมพรครับถามพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมข้อใดได้บุญสูงสุดครับ แน่นอนก็คือบรรุธรรมการบรรุทําการละสังโยชน์นี้ได้บุญที่สูงสุดแต่การละสังโยนั่นนี่มันต้องอาศัยการทำทานการรักษาศีลการปฏิบัติสติสมาธิและการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็มันต้องทำทา ข, ขั้นต่างๆนี้ให้ได้ก่อนถึงจะไปถึงขั้นสูงสุดได้เหมือนการเรียนปิญญาเองนี่ถ้าถามว่า ปริญญาในเลิกที่สุดก็ต้ององ อ, อกปริญญาเอากใช่แต่การจะได้ปริญญาเอกนี้มันไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปสมัครเรียนได้เลยมันก็ต้องผ่านขั้นถ้ายังไม่ได้เรียนอนุบาลก็ไปอนุบาลก่อนถ้ายังไม่ได้เข้าปถมก็ต้องไปปถมก่อนมันมีขั้นมีตอนของการศึกษาการปฏิบัติบุญบุญขั้นบบต่างๆก็เหมือนกันมีขั้นมีตอนของเขาซึ่งเราจะไปกระโดดทําขั้นสุดๆนี้โดยที่เรายังไม่ได้มีไม่มีความสามารถทําในบุญขั้นต่ําได้ แล้วก็เป็นไปไม่ได้คุณปรีดีครับขอกาบเรียนถามที่บ้านมีพระบรมสารีริกธาตุกับพระอรหันธาตุควรเอาไปไว้ที่วัดหรือควรเก็บไว้บูชาเพราะมีคนแนะนำให้เอาไปไว้ที่วัดเพราะเราคนธรรมดาบา ร, รมีไม่ถึงจริงไหมคะเดี๋ยวไ้ที่ไหนก็ได้ที่ห เ, เหมาะสมเที่ยวไปเนน้องทะลูบองหนึ่งเป็นตัวแทนเป็นทางใ โดดแทนให้เราถึงพระพุทธเจา้าถึงพระหลานทศสาวต่างๆ้ก็เอาไว้ที่หิ้งพระที่เรามีอย่านี้และอย่าไปรบควนวัดเขาเลย <Okay. S 1> วัดเขาก็มีของเยอะแยะไปหมดนะคนกาบางทีก็อยากจะทำอะไรก็ไปไปทำที่วัดจันอยากจะสร้างอุทธูก็สร้างอุทลูกบทีหาที่ตั้งไม่ได้ คุณพร้อมซัพย์ครับเขาการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพอนั่งสมาธิไปนานๆขานก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแต่ใจอยากหยุดนั่งเฉยๆมีวิธีแก้อย่างไรบ้างคะนั่งที่บ้านขาก็เลยสะดวกในการนอนไม่ชนะใจตนเองเลยค่ะนรัส ก, การครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราบังคับใจทาไม่ได้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นไปไปที่เขาปฏิบัติแล้วก็บงังคับให้นนั่ง ทีละสองสามชั่วโมงจะนั่งก็นั่งไม่ได้นังนั่นเพื่อเป็นการฝึกวินัยในตัวเราขึ้นมาก่อนพอเรานั่งนานๆได้นนนนแล้วต่อไปเราก็นั่งที่บ้านเองได้แต่ถ้าเรายังนั่งไม่ได้ด้วยตามลำพังเราว่าขาดเรต้องอาศัยไปไปเข้าคอร์สไปเข้าหลักสูตรที่เขามีบักคับให้นั่งกันชั่วโมงชั่วโมงคุณปริสนาครับ มีเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งเขานับถือศาสนาคริสต์แต่เขาสนใจในศาสนาพุทธถามว่าฉันไม่อยากมาเกิดอีกจะทําอย่างไรควรแนะนําอย่างไรดิฉันเลยตอบหลักไตรสิกขาไปน้องกราบพระอาจารย์ค่ะถูนะถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาให้ครบบริบูรณ์แล้วก็จะทาให้เหตุที่พามาให้เกิดนั้นถูกกาจัดไปคือกิเลสตัะหาต่างๆมื่อไม่มีกิเลสตระหนัแล้วก็ใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป อาจารย์ขออนุญาตหาคาถามสักครู่นะครับเมื่อกี้มีเพื่อนๆแจ้งจังหวัดที่ตัวเองฟังอยู่มาเลยยาวมากเลยครับอาจารย์ให้เป็นไรตามสบายครับคุณปูเป้ครับต้องมีสี่ห้าสมบูรณ์ถึงจะภาวนาก้าวหน้าและก้าวหน้าถึงขั้นโสดาบันใช่ไหมครับมันยิ่งแแต่ว่าเรามีสมาธิแล้ว ถ้ า, ายังไม่มีสมาธินี้มังทีสีหน้ายัางไม่พอต้องมีศีแปดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้แถ้าเรามีสมาธิมาแล้วตื่มาจากชาติก่อนรักษาสีหน้าก็พอเพียงมีสามารถเจริญปัญญาพิจารณาใจลักได้ดันั้นก็อยู่ที่ว่าเรามีสมาธิหรือยังถ้ายังไม่มีเราก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมา ให้จิไม่โอเบคาขึ้นมาก่อนกาจะสร้างสมาธิได้อย่างาสะดวกได้อย่างง่า ย, ายแล้มากมายก็คือต้องอมีศีแปดเป็นผู้สนับสนุนพอจะทำให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติสติสมาธิได้มากขึ้นถ้าเราซื้อศีลเพียงถือเพียงศีลห้านี้เรายังสามารถ่ากไปทำกิจอย่างเหมือนได้มันเปนเรื่องกับนอนกับแฟนได้ไปดูห น, นังความเพลงได้ ในงานต่างๆได้มันก็ยาเวลาที่เราจะมาเจริญสติสมาธิไปหมดก็จะทําทให้เราไม่มีสมาธิไม่มีอยมบขขาเมื่อไม่มีอยมแขขาเราะจะไปเจริญปัญญามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราบรรลุเป็นพ้าวสานได้คุณพรลักษ์ครับการที่นอนฟังธรรมเพราะปวดที่กระดูกก้นกบโดยคุณหมอสั่งผ่าตัดนอนก็ต้องพลิกตัวบ่อยๆนั่งนานไม่ได้จะบาปไหมคะ แม่บาปหรอกคือแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังได้ประโยชน์เต็มร้อยออจจเพราะหนึ่งอาจจะเพาะเพลิหลับไปทําไปได้ทักพักเลยก็อาจจะหลับนีหรือเวลาต้องคอยพลิกตัวบ่อยๆก็จะทาให้การขาดสติในการทำธรรมไปการทำธรรมก็อาจจะไม่ต่อเนื่องอาจจะไม่ฟังและไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ คุณปล่อยวางครับการนรัสการพระอาจารย์ครับในยุคปลายพุท ธ, ธกาลเป็นไปตามคําทํานายใช่ไหมครับที่บอกว่ า, าศาสนาจะเริ่มเสื่อมมันถ้ายุคปลายมันก็เป็นยุคเสื่อมแล้วก็คือก็ต้องดูที่เนี่ยการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุการเผยแผ่ธรรมว่ามีามากมีน้อยเท่าไาราอย่าไปดูจดูวาดวาลามต่างอย่าไปดูจํานวนนังบวชที่ไม่ได้ศึกษามาไม่ได้ปฏิบัติ เ่าะสิ่งเห่นี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะรักษ า, าศาสนาให้จเจริญได้ต้องดูว่าที่ไหนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีขาา่าวว่าพระลุมนั้นบรรลุทําคันนั้นคันนี้นีมีมีการเผยแพร่สั่งสอนกันอย่างกว้างขวา ง, วางอันนั้นแหละเป็นที่ที่จเจริญของาศาสนาอย่างที่ได้พูดตอนต้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเมวมรวมได้แล้ ว, ว่ า, าศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียว อาจจะนํางดูเป็นจุดๆไปศาสนาในประเทศไทยอาจจะเสื่อมมากกบวบศาสนาในประเทศสีน้ากาเนี่ยปเทศสีนํากาเสื่อมมากกับประเทศไทยอยันนี้ก็แล้วแต่ในประเทศว่าจจะมีการมีการศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรมนักเลยแผ่ทาํามากน้อยเพียงไรคุณต้าครับ ขอน้า้มกราบหลวงพอ่อลูกขอถามเพิ่มอีกข้อนะคะบางคนที่ปฏิบัติสมาธิทําไมเขาถึงไปได้เร็วคะตัวลูกปฏิบัติไปช้ามากไม่นิ่งเลยคะ่ะลูกจะทําไงดีคะเพราะค่ะจะได้ฝึกสติม า, มากๆในอดีตการเมื่อมีสติก็ทําให้เขาเข้าสมาธิได้อย่างอย่างง่ายดายแน่นอนหรือถ้าถือว่าถ้ายังมีไม่พอก็เขาก็าสามารถจเจริญสตไิได้ง่ายขึ้นได้ไดมาก แล้เร็วขึ้นกับผู้ที่ไม่เคยดจรัสดสติมาก่อนน่คุณสมพรครับกลาบขอคำแนะนำการเป็นผู้ดีในทางธรรมดูกันที่ตรงไหนต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีครับก็เนี่ยมีศีลมีธรรมอยงนั้นก็ต้องมีสีหน้าแล้วก็มีเมตตากรุณาุมตตาอุเบกามีขันติมีความอดทนอดกลั้นมีความยายามบันเทิง คุณสมพรครับขอความแนะนําการละความอาฆาตพยาบาทต้องใช้ธรรมะข้อใดต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบางครั้งจิตปรุงแต่งมีอกุศลในจิตใจมีความอาฆาตทางจิตใจแต่ตัวรู้ไปรู้ทันจิตอาฆาตดังกล่าวแต่เกิดจากผัสสะภายนอกที่มากระทบการปรุงแต่งใจเลยเกิดอาฆาตต่อจิตต่อใจที่ไม่ชอบใจที่มาผัสสะกับกิเลสตัวกูของกูขอ ง, กของตัวเองกราบขอคำแนะนําพระอาจารย์ครับ ก็ต้องใช้เมตตาคือการให้อภัยไม่จเจาะเงิ น, นกันในเรลากงอาฆาพยาบาทก็ต้องให้อภัยบุคคลที่สร้างความรู้สึกาาฆาพยาบาทให้กับเราว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทําไปแล้วเนี่ยสองเราห้ามเขาไม่ได้สามกาวอาฆาพยาบาทนี้มันเป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจของเรามันทําให้จิตใจเราทุกข์ร้อนและอาจจะ พัาทำดัน้เราไปทำํำในสิ่งที่เสียหายต่อไปที่เราจะต้องเสียใจในภายหลันก็ได้ให้ใช้ เ, เหตุผลแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้เราเนี้สามารถยกโทษให้เขาได้อภัยให้เขาได้ถ้าอภัยได้ความบาคคาจะยาบาจะหายไปคุณชุลิรัตน์ครับบอกว่าการทําบุญน้ําไฟโอนเงินเข้าบัญชีวัดยานวยานวรารามโดยไม่ใส่บาทถูกไหมคะ ก็เป็นการทาบุญอยา่างวคือใส่บานนี่มันเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่ก็คืออาหารส่วนน้ําไฟนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมคือก็ไม่ไม่เป็นอาหารแต่ร่างกายก็ต้องมนการชําระร้างต่างๆแสงไฟก็มีไว้สําหรับศึกษาหรือเวลามีเวลาเมื่อค่าก็ต้องมีแสงไฟแสงสวรร่างไว้ทําภารกิจ ก็ถือว่าได้เป็นเป็นการทำบุญไปกับสายบาสนั่นคุณชมชมครับการนั่งสมาธิคือการกำหนดลมหายใจแล้วท่องพุโทโธหายใจเข้าโทหายใจออกแล้วจิตใจสงบหรอคะก็ต้องทำนานไม่ใช่ทำแค่ห้านาทีสิบนาทีมันต้องทำเป็นชั่วโมงเลยจิตถึงจะสงบได้คุณนิ่ม -kip -kip. One What b u d h i s m view on love, which is the most sacred force that generate compassion for others? As Buddha taught that desire is the source of suffering. Giving up on love then is the teaching. No, there are two kinds of love. The love with pet, love with desire to possess the object of our love, and love without the desire to possess. So Buddhism teaches to to abandon the love that desire to possess, to own the object of our, our love, and and teaches us, us to have love for without the desire to possess. Love in Buddhism is, is just to give, not to take. But normally, other the other type of love is love is to take. Take possession of the object of your love. So this is what the difference in Buddhism. Buddha taught us to love without having any desire to possess, to own the object of the of our love, to give and not not to take from the object of our love. Like the love of father and mother to the child. Usually the love of, of the father and mother to the child. Is without any condition, doesn't expect anything in return. But still, this kind of love can still be harmful if this love has attachment to the, the child. We w a n t t o l e a o v e without having any attachment. Love just giving and don't expect anything back from the receiver, and don't have any. Desire or expectation from the receiver that the receiver should should be or not be to die or not die. p l e s should not have any expectation at all. Just give, just give love without expecting anything in return. คุณทราบความใจไหมขอความไม่ตาเป็นภาษาไทยสั้นๆก็ได้ครับอาจารยครับคือถ้าถามว่าคำว่าเขาอยากจะทราบว่า ครับความรักทางศาสนาพุทธมีดีหมายความว่าอย่างไรเพราะทางโลกก็คือว่าความรักนี้เป็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เกิดความเมตตาคุณาต่อคนทั้กันเราก็บอกว่าทางศาสนาพุทธนี้สอนว่าความรักนี้มีสองชนิดด้วยกันความรักที่เป็นกิเลสและความรักที่ตัดากดิเลสให้เราอย่ามีความรักแบบกิเลสคือ ยากได้เขามาเป็นสมบัติของเรายังได้เข้ามาเป็นแฟนของเราเป็นอะไรของเราให้มีความรักแบบให้ช่วยเหลือเขาอยากให้เขามีความสุขโดยที่ไม่มีความปรารถนาที่จะไปยึดเขามาเป็นสมบัติของเราหรือหวังอะไรจากเขาเป็นการตอบแทนคือเป็นการให้อย่างบริสุทธิ์ใจเช่นการให้ของพ่อแม่ให้กับลูกๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ความจริงก็ยังไม่บริสุทธิ์แบบที่พ่อแม่ก็ยังหวังอะไรจากลูก หวังให้ลูกดีหวังให้ลูกมีความเจริญมีความสุขอันนี้ก็ไม่ให้หวังเพราะความหลังนี่มันจะทําให้เราทุกได้ในะเท่เขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราในแต่หวังว่าเขาขอให้เขาได้รับประโยชน์จากความรักของเราแท น, นกับผมส่วนเขาจะสามารถที่จะอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขลรื่อมีความทุกขนี้จะเป็นจะตายอย่างไรนี่เราอยากไปหวังให้เขาเป็นเพราะมันจะทําให้เราทุกได้ อันนี้คือความรักก็คือความเมตตานั่นเองซึ่งคุณสมบัติของเมตตาก็มีสี่ประการด้วยกันหนึ่งรักด้วยการให้อภัยสองรักด้วยการไม่เบียดเบีย น, ยนไม่ทําให้ผู้อื่เขาเสียหายเดือดร้อนสามรักด้วยการไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของเขาสามรักด้วยการให้ความสุขกับเขาคือมีอะไรก็แ บ, บ่งปันให้กับเขามี่อเงินมีทองก็ให้เขาไป มีอะไรที่เราคิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็ยกให้เข้าไปอันนี้ก็ลักษณะของความรักฐานของพุทธศาสนาคุณวชิรวิทย์ครับกราบเรียนถามคนเราส่วนใหญ่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปได้มากหรือน้อยครับคนเราทุกคนนี่ะที่ตายไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันในชาติเร็เรวๆท่านเองเพราะว่าหลังจากที่ตายไปนี้ บุญและกรรมบุญและบาปที่เราทํานี้จะเป็นตัวที่ส่งผลก่อนเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายก่อนจ น, นกว่าบุญและบาป ท, ทาาี่เราทํา น, นี้มันหมดจํานันที่จะส่งต่อไปอบายหรือไปสวรรค์เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คุณนอนอมันคุกครับกราบบุญฉาท่านพระอาจารย์ครับเมื่อบ่ายผมซื้อปานะเพสัตไว้ในรถ บอกลูกว่าของพวกนี้พ่อให้เรานะไปเที่ยวผ่านวัดลูกบอกอยากเอาไปถวายพระการกระทําของการกระทําของผมลูกๆจะได้บุญจากการถวายทานนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไหมครับคือถ้าเราไปบอกเข้าไว้ก่อนว่าให้ไปให้เอาไปถวายพระนี้ก็จะไม่ได้เพราะมันไม่ได้ออกมาจากใจของเขาแต่ถ้าเราบอกว่าเราซื้อเขานี่แลให้ลูกไปโันที่ไม่เลยไปบอกเพราว่าให้ไปทําอะไรเหมือนกับเราให้ให้ให้ของลูก เื้ออะไรมนะาก็ให้รูปไปฉันอาจจะเห็นลูปอยจะซื้อโทรสัตท์มือถือให้รูกผมว่าซื้อให้รูปเนี้แล้วลูกก็เอาไปถวายพระอย่างนี้เขาก็จะได้บุญโดยที่เราไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บอกเขาแต่เขาอยากจะเสียสละพอเขาเ้าคิดว่าพระอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ที่าพระอาจจะได้รับประโยชน์มากกว่าตัวเขาเขาก็เลยเอยาไปถวายถ้าอย่างเงี้เขาจะได้บุญเป็นเหมือนต้อง อ, อกมาจากความนึกคิดของเขาเอง แล้วต้องเป็นของของเขาแล้วแต่ถ้าเป็นของที่พ่อซื้อมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้เอาไปถวายพระเป็นการใช้เขามากกว่าลูกเดี๋ยวเอาไปถวายพระให้พ่อหน่อยนะอย่างเงี้ยของก็ไม่ใช่เป็นของลูกความอยากจะถวายของก็ไม่ได้เกิดจากตัวของลูกลูกก็เลยไม่ได้รุนเลยคุณแสงประนีครับน้องกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ เมื่อนั่งสมาธิจ น, จนจิตนิ่งสงบแล้วคําภาวนาพุโทโธเริ่มหายไปแล้วเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแต่ไม่อยากให้อารมณ์ติดอยู่ในความสุขของสมาธินั้นเลยพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าคะไม่ถูกกถ้าไม่อยากจะติดความสุขบนสมาธิก็อย่าไปนั่งมันเสียเวลาก็าพิจารณานั่งแต่เริ่มต้นไปเลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะพิจารณาได้ไม่นานเท่ากับจิตที่มีสมาธิแล้ว วาจิที่มีสมาธิแล้วจะไม่มีอารมณ์หวโหยกับเรื่องงาอย่างนี้ก็สามารถจะทำให้พิจารณาเรื่องธรรมะได้ยาวนานทำไมเราต้องพิจารณาอย่างยาวนานเพราะมันจะได้จดจาได้จะได้ฝังอยู่ในใจเพื่อที่เวลาที่เราจะต้องใช้มันมันจะได้โถกให้มาอย่างาน้ดเ คุวชิรวิทย์ครับหลังจากตายไปแล้วเราก็จำกันและกันไม่ได้อีกแล้วเหลือแต่บุญบาปที่ผูกพันกันเท่านั้นใช่หรือไม่ครับนอกจากผู้ที่ระลึกชาติได้ทีก็จะระลึกนาวจำได้ว่าคนนี้เคยเคยเป็นอะไรกันมาเคยพบปะกันมาก่อนหรือไม่แต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่สามารถาระลึกชาติได้นี้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นใคร คุณแทนยูครับบุคคลที่เข้ามาบวชแล้วประพฤติตัวผิดศีลทำให้พระศาสนาเสื่อมเสียประชาชนเสื่อมศรัทธานในศาสนามีกรรมในรูปแบบใดและต้องชดใช้บาปกรรมนี้อย่างไรครับก็เหมือนคนที่ไม่รักษาศีลก็นั้นก็ผิดศีลถ้าผิดศีลถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าผิดศีลแปดนี่ก็ก็ยังไม่ได้ สินค้อื่นที่ไม่ใช่สีหน้าก็เป็นเป็นการปิดกั้นทางขึ้นสู่นิพพานนะครับคุณดัญญาครับกับเลี่ยนถามค่ะโยมจะวางใจอย่างไรเมื่อน้องสาวคนสนิทเพื่อนร่วม ง, งานด้วยกันไปฟังคนอื่นใส่ความเข้าใจผิดว่าโยมกล่าวหานินทาเขาทั้งทั้งที่โยมไม่ได้ทําหรือเป็นอย่างนั้นตามที่เขากล่าวหาค่ะครับถูกครับ เราห้าเขาไม่ได้นใจของเขาก็จะเชื่ออย่างไรเนี่ว่าห้ามเขาไม่ได้อย่างก็ เ, เ, เพลยต่ต้องมาหัดทำใจว่าเขาจะเชื่ อ, องไงหรือไม่เชื่ อ, องไงก็เรื่องของเขาเราปเป็นบังคับเขาไม่ได้คุณสมพรครับกลับสอบถามพระอาจารย์เรื่องความจริงใจนะครับหมายความว่าอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนจริงใจครับเขาต้องทําในสิ่งที่เขาพูดน เขาอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินมาให้ห้าร้อยบาทเนราะพรุ่งนี้เขาทำเป็นเรมไปแสดงว่าเขาไม่จริงใจ <c oughs> คนเม้นเต็มเลยครับอาจารย์ <c oughs> อันนี้ก่อนนะครับหลวงพ่อที่อยู่วัดแถวบ้านบานบอพระอรหันต์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อให้ความจำเสื่อมแต่พระธรรมวินัยที่ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดจะไม่ลืม ก็ไดา้แหละคือความจาในบางเศษบางอย่างนี่ลืมได้แต่บางอย่างนี้ก็ไม่ลืมคือทำที่ปฏิบัตินี่มันจะไม่ไเลยมคุณดาวครับกลาดนักวิชกา ร, ร, ร, าการเจ้าข่ากลาดเรียนโยมอยากถามว่าการที่โยมไม่ค่อยคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและอนาคตและการเสียชีวิตของญาติหรือคนรู้จักโยมคิดว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่อว่าโยมทําถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องถ้าโยมไม่ทุกข์ก็ถือว่าถือนะ การปฏิบัติงานนี้เพื่อมาให้ทุกขกับอะไรครับเรียนถามเจ้าค่ะการรักษาศีลอุโบสถหากเผลอไปเหยียบสัตว์ตายถือว่ารักษาศีลขาดหมดทุกข้อเลยหรือไม่เจ้าค่ะไม่เหรอกม่กระทั่งศีลข้อแรกก็ไม่ขาดเมื่อเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจถือว่ป็นบัติเองคุณโอ๋ครับขอโอกาสสอบถามเจ้าค่ะอาชีพพยาบาลแผนกสูตินรีเวส ต้องดูแลหญิงไม่พร้อมมีบุตรและต้องยุติการตั้งครรภถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะและขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยเจ้าค่ะผิดศีลเพราะเราไปทําให้เสศษที่มีชีวิตเสืส่อมสูญลงถือว่าในการผิดศีลเราก็ต้องเลิกเรื่องการการะทําำนี้ถ้ามีควารจะเป็นกาจะต้องขอย้ายผ่าแรงไปถ้าอยากจะรักษาศีลมีหลายคําถามต้องขอข้ามไปครับระอาจารย์ไป ไปกล่าวถึงครูบาอาจารย์องค์อื่นหลายคนครับไม่เนีันเกี่ยวข้อ ท, ท่านอยู่ครับผมคุณต้อมครับกล่าวเบียนถามพระอาจารย์ครับธรรมะคือธรรมชาติจริงไหมครับหรือธรรมะคือคําสอนครับคําว่าธรรมะที่มีหลายความหมายความหมายแรกก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าธรรมะแตสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งัวนี้ก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าบอกสเปยธรรมอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นภูเขานนี้เป็นอนําตาอันนี้ก็เป็นคำว่าธรรมะเหมือนกันในคำว่าธรรมะนี่มีความมีความหมายกว้างขวางนะหลายหลากหลายบาง ท, ทีเราพูดถึงสติเราก็เรียกว่าเป็นธรรมะอย่างปัญญาก็เป็นธรรมะอย่างศีลก็เป็นธรรมะอย่างเราเรียกศีลละธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรม ยังธรรมะนี่มีความหมายหลากหลายแลต้องดูดูเวลาที่เราใช้ว่าเราหมายถึงอะไรกันนะคุณศิริกรครับขอสอบถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะคุณพ่ออายุ78ช่วงนี้มีอาการคือกลัวตายกลัวการอยู่คนเดียวต้องการให้คนอยู่ด้วย24ชั่วโมงเราควรดูแลท่านและวางใจตนอย่างไรดีคะจะดูแลท่านเหมือนดูแลเด็กเด็กทารกเนี่ย แต่ถ้าเราก็ต้องมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงภาษาอังกฤษกับอาจารย์ครับราวีวิรุวานีคำ e ามฮัลโหลบันเตม t ยจิตาอิส e s นเอ n บ e ล l ูไ n d านเพลส e เมดิเ i ชัน i ร็ t i เพอร์ต t ซีนทูเ a จิเ e s ดเ e s ต์เลส t h ่ไ i จิตาฟอร์เ r อ l e เพล i ์ i ไลด์ด s s สิสเบิร์กซ์ยูลักมายฟูลเนส So you have to practice mindfulness. First. The way to practice mindfulness, generally there are two ways. One is to recite a mantra, "utto utto." As soon as you get up, try to keep reciting b "utto b utto." As you go on your daily activity, only stop when you really have to think about what you do or what you have to plan to do. Otherwise, try to stop your mind from thinking by reciting b "utto utto." As much as possible. Secondly, you can focus on your body movement. Keep watching your body all the time. Watch what your body is doing: eating, uh, running, sleeping, uh, doing something, walking, working, driving. Just keep watching. Don't let your mind go think about other things. If you can force your mind to keep with this object of your body activity. Or keep it with the the mantra. Then when you when you meditate, you'll find that you can make the mind come to calm and peace very easily without any restlessness or agitation. Oh yeah, t e Thamwa. When he does <coughs> meditation, he does <coughs> t very h a r His <coughs> mind is very r e t l e s s And he says that he has to p r t i e m i n e t i n n t h e a e w a y การบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่จนหลับหยุดหยุดคิดหยุดพุดโทโธในช่วงที่เราต้องคิดในเรื่องราวต่างๆที่จําเป็นถ้าไม่มีการจำเป็นก็อย่าฝล่อยให้ใจคิดได้เลยให้ใชจพุโทโธพุโทโธอยู่หรือวิธีหนึ่งก็ให้ดูการเคลื่อนไวหวต่างๆของร่างกายตลอดเวลาอย่าให้ใจไปคิดนั่นหรือในขณะที่ร่างกายกาลังทําอะไรอยู่อันนี้ถ้าสามารถฝึกสติให้จิต มีอะไรยึดเกาะมาให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆได้เวลานั่งสมาธิจิตจะไม่ฟุ้งซ่านและจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายนะคุณสุภาทีครับการธรรมส ก, การพระอาจารย์ค่ะรู้สึกสำนึกผิดกับพ่อแม่เมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้ล้างเท้าให้ท่านแล้วเอาน้ําล้างเท้ามาพรมหัวเราขออโหสิ ก, กรรมท่านมีความรู้สึกดีมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคะเขาไช้สํานึกถึง ค ว, ความไม่ดีของเราแล้วก็อยากที่จะแสดงความสำนึกขอขอไถ่ พ, พ, พ่อแม่ใ น, นการเอาทำในสิ่งที่เราทำนี้เพราะง่เขานี่ก็จะรู้สึกว่าเร า, เราทําทำในสิ่งที่คนปกติจะทำได้ายาก ม, มีความอ่อนน้อมมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ คุณโลกสวยครับการนับศการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอความรู้ด้วยเจ้าค่ะระหว่างชั้นเทวดากับชั้นพรหมต่างกันอย่างไรเจ้าคะคือเทวดายัางเสพด้วย เ, เสียงเกล็ดอเยอะแล้วพวกเทวดานี่ก็เป็นเหมือนพวกมนุษย์ที่เวลานอนหลับแล้วฝันดีเนี่ยวันนั่นไปเที่ยวที่นั่นได้กินได้ไปดื่มไม่ทําอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นพวกเทวดาเป็นแบบนี้เขาจะอยู่แบบในโลกของความฝันดี ส่วนพวกที่เป็นพรหมนี่ก็จะเป็นเหมือนพวกที่เข้าสมาธิยังไม่ฝันไม่ไม่มีความคิดปูแตกไม่เสพเลือดเสียงกินรสเจ็กับความสงบความว่างไปอย่างเดียวแต่มีความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการเสพเลือดเสียงกินรสถึงเทงิงแล้จากพี่ตายนะครับถ้าไม่ต้องการมาเกิดอีกต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะต้องปฏิบัติสามขั้นทานศีมภาวนาให้สมบูรณ์ ทำทานให้เต็มร้อยสลาดทรัพย์สมบทก่อ ข, ของเงินทางไปให้หมดนักไปบวชรักษาศีลนล้วก็ภาวนาเจริญสติสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะทําให้จิตํจาจัดเหตุที่พาให้มาเกิดได้คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจิตก็จะไม่กลับมาเกิอีกต่อไปคุณตรงธรรมครับกราดมัสการครับเป็นหมอดูทํานายดวงชะตาผิดศีลห้าไหมครับ เป็นหมอไม่ไม่ผิดสิครับเป็นอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะเพราะเป็นอาชีพที่ไม่มันไม่มันเป็นเป็นอาชีพแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงควาเป็นจริงที่ต้องสอนกวดแหงกลาวนี่ครับเป็นความเป็นจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดีชั่วของคนเราไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวแต่อยู่ที่การทําผิดสินทําทําบนเรื่องทาบา ทน่นนั่อันนี้ก็อาจจะเป็นการพาให้คนหลงแล้วหลงลงมงายตากเราไปทาไปเชื่อพวกดวงชะตาต่างๆทําให้ไม่มาเชื่อกดแห่งกรรมเรถือว่าไม่เป็นอาชีพที่ที่ถูกต้องไม่เป็นสา ม, มาชีพถ้าเป็นสามาชีควรจะเป็นอาชีพที่สานให้คนเชื่อกดแห่งกรรมคุณสุนันชัยยาภาครับกลาบรรพสการพระอาจารย์ครับ โยมใช้การทำงานในการฝึกจิตอยู่เสมอๆและใช้การฟังธรรมอยู่เนืองๆประกอบกับเดินจงกรมและสวดมนต์พิจารณาตนแล้วกิเลส ก, ก็ลดไปมากโขจากเริ่มฝึกจิตแต่รู้สึกมีความก้าวหน้าน้อยในธรรมควรใช้แนวทางใดในการพัฒนาตนเจ้าคะก็ต้องเราทาที่เราฟังนี่มาๆพิจารณาอยู่เนืองๆนี่นแล้วารทำไหว้ก็คือว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้งตายเป็นธรรมดา รวมพ้นความแก่ความเจ็บความตาเป็นได้เราต้องพัดพาจากกันเป็นธรรมดารวมพ้นจากการสัดพากจากกันเป็นได้ถ้ามานเลิกอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันจดจําได้ตลอดเวลาต่อไปเวลาเราเห็นความแก่ของเราเราจะรู้สึกเฉยๆว่าเราเป็นเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้เวลามีอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาก็ไม่ไม่ทุกกับมันเพราะรู้ว่าเราเป็นเนื้อธรรมดา ถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราคิดว่าเราจะตายได้เราก็จะไม่ถูกเพราเรารู้ว่าผัตากันเรื่องธรรมดาต้องเจริญปัญญาฟัางธรรมอย่างเดียวไม่พอเอาธรรมที่เราได้ฟังมาแล้วนี่เอามาเจริญอยู่ในอยู่่งเนืองอย่าให้มันหายไปจากใจของเราธรรมที่สําคัญอันแรกนี้ก็คือร่างกายของเร า, านั่งพิจารณาอยู่เนืงนงองๆถึงความเสื่อม ข, ของร่างกายอันนี้จากความไม่เที่ยงของร่างกาย อนันตาเาไม่มีตัว ต, วตวนของร่างกายร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่วันหนึ่งจะต้องย่อยสลายกับคืนสื่สภาพเดิมครับอันนี้สอนอยู่เนึ่นๆจะทั้งใจเราปล่อยวางร่างกายนะแล้วเราก็จะไม่จดกับร่างกายต่อไปคุณบันนิบรามีครับ น้องกล่าวน้องส ก, การนั่นพระอาจารย์จะพิจารณาเช่นไรว่าการปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนาแล้วจะรู้ได้เช่นไรว่าบรรลุธรรมถึงระดับไหนเช่นโสดาบันสกิทาคาหรืออนาคาเป็นต้นเพราะมีสภาวะความว่างสงบนิ่งครับกออารจะเป็นมนุษย์ทางขั้นต่างๆนั้นต้องดูสัมยน์ว่าเราเล่าได้หรือไม่ได้สัมโยโญพระโสดาบันเล่าไดสามข้อคือหนึ่งสั ก, กยายทติฐิคือการไปยึดไปติดนั่งกายว่าเป็นตัวเรา ไ ป, ไปยึดติดเวทนาความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นความที่เกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาในควาที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับขเขาได้ต้องปล่อยเมื่อปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเวทนาแล้วก็จะทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเราก็ยังไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงคว่าเป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่ เราก็จะเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมว่าทำทำกรรมดีแล้วมีความสุขทำกรรมชัว่วเราจะมีความทุกข์อันนี้คือสามข้อแรกที่เราจะต้องลาให้ได้สังโยชนคือสักายยติฐิความความไปหลงคิดว่าร่างกายหน้าเวทนาเป็นตัวเราเราสองการสงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสองนี่มีจริงหรือไม่ันเป็นนิยายตัดขึ้นขึ้นมาสาม การเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือไม่ํานี้เรื่องดีทาชั่วเป็นชั่วนี้มีหรือไม่จริงหรือไม่อันนี้จะไม่สงสัยจะเชื่อร้อยปอรเซ็นต์ว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงร่างกายและเวทนาความรู้สึกนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรม คุณตุกตาครับกราบดัระสการพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามว่าเจ้ากรรมในเวนจําดวงจิตของเราได้อย่างไรคะเพราะเราไปเกิดในร่างใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเขาตามเจอได้อย่างไรคะผมเขาไม่ดูที่เชื่อดูที่หน้าตาเขาดูกิริยานะคําพูดของเราเนี่มันจะไม่เปลี่ยนสังเกตดูคนบางทีไม่เจอกันยี่สิบปีเห็นหน้าตาจําไม่ได้นะนะพออ้าปากขึ้นมาเนี่ยออจําได้ทันทีเพราะวิธีการพูดของเขาเขาจะไม่เปลี่ยน เสียงเขจะเหมือนเดิมใครพูดอย่างไรมันก็จะพูดอย่างนั้นดั้นเขจะจับกิริยาการของเราได้สังเกต ด, ดูเสียทำไมาเราเจอใครบางคนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยพอเห็นอากัศกิริยาครนนี้เราจะชอบทันทีหรือจะเกลียดทันทีนั่นก็ไม่นเพราะว่าในอดีตชาติเราเคยมีความผ่อนใจอยู่กับที่อากัศกิริยาการเหล่านี้มาถ้าเจอกิริยาการแบบนี้เราชอบทันทีถ้าเจอแบบนี้ไม่ชอบทันที ไบสบาเหตุคุณสิริแอนครับทราบจากพระท่านว่ามีบางวัดที่พระท่านต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลให้พระได้ใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นการเอื้อให้พระท่านผิดวินัยหรือไม่คะไม่หรอกพระรับเงินทําได้เพียงแต่ว่าท่านควอบครมันไม่ได้ท่านเอาไปใช้สอยเองไม่ได้ท่านต้องให้ผ่านใช้ผ่านลูกสิษทีนี้ คือยอมถอยเงนินให้กับพ่อได้นริงแต่ท่านรับกับมันไม่ได้ท่านก็บอกให้วางไว้เดี๋จะฝากรูกสิษไว้เก็บให้เวลาที่ต้องการจะใช้ก็จะให้ลูกศิษออกม า, าเป็นคนใจ่ายให้ไม่บาปไม่ผิดต่อวินยัยการถาอยเงนินให้กับพ่อไม่ถือว่าเป็นการผิดต่อวินัยเป็นแต่วิวธีการทั้งที่มันอาจจะต้องมีขั้นตอนของมันที่ถูกต้อง คุณสาระเร็วครับสอบถามครับฟ้าอาจารย์ถ้าเราบวชเพื่อออกธุดงจะต้องเรียนบทสวดบทไหนบ้างครับขอบพระคุณครับออขออนุญาตออกธุดงไห้ต้องต้องให้อาจารย์อนุญาตก่อนส่วนใหญ่ถ้าไม่พ้นหน้าพรรษาเนีท่านจะไม่ให้ไปไหนได้หัดฝึกอยู่ในวัดไปก่อนธุดงในวัดไปก่อนเถอะยังไม่ตัวไปธุดงในปากคนเดียว คุณกมลรดครับนักการพระอาจารย์ครับเป็นคนตรณีทีเหนียวมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้เป็นชอบทําทานครับให้คิดว่าตายไปแล้วก็ไปไม่ได้สมบัติเข้าของเงินเท่าต่างๆถ้าให้เราเก็บไว้ส่วนหนึ่งที่เรา asy, ต้องฉะต้องต้อมีต้องจำเป็นต้องเก็บส่วนที่มีเหลืออยู่ก็ที่ว่างไปทาบุญดีกว่าว่าบุญนี้เป็นเหมือนกันไปแรกเปลี่ยนกันสกุลต่างประเทศ ว่าต่อไปเราจะต้องออกเดินทางจากประเทศนี้ไปสู่ต่างประเทศกันเวลาเราตายไปนี่ก็เหมือนกับเราเดินทางออกจากประเทศไทยไปสู่โลกทิพย์การที่จะไปอยู่โลกทิพย์อย่างมีความสุขสบายเราต้องมีบุญเป็นเป็นเงินในโลกทิพย์ก็ใช้บุญกันงั้เราต้องเปลี่ยนสกุลเงินจากเงินบาทให้มาเป็นสกุลเงินบุญ <Okay. S 1> แล้วพอเราตายไปเราก็จะได้มีบุญติดตัวไปไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไป ไดนไปอยู่แบบเทวดากันถ้าไม่มีกานจิตตัวไปก็จะไปอยู่แบบเปละเป็นขอทานทางจิตวิญญาณคุณขะอหนึ่งนิดครับกลาดนรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอคําอธิบายถึงการปฏิบัติส่วนของการเห็นกายในกา ย, กายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นอย่างไรเจ้าคะคือวันนี้มันมีการแปลความหมายจากตัวจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทย ในการปฏิบัติจริงๆนี้ก็ให้เราเห็นกายเห็นร่ากายนี้ว่มามีอาการสามสิบสองมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นดน้าลงไปนี่คือการเห็นกายเห็นกายเห็นเวทนาก็เห็นว่าเวทนานี่มีอยู่สามช น, นิดด้วยกันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เห็นจิตก็เห็นว่าในจิตนี้มีอารมณ์แปลปวดไปเปลี่ยนไ ป, ไ ป, ไปเปลี่ยนมา มีอารอมณ์ดีบ้างอารอมณ์ไม่ดีบ้างมีมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีดีใจบ้างมีเสียใจบ้างอะรตานี่นี่คือการเห็นจิตในจิตเห็นธรรมก็เห็นว่าเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตจรับเห็นรับแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมเลในธรรมคุณพีโ ก, โกครับเรียนถามคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้รู้อะไรผู้ตื่นตื่นจากอะไรผู้เบิกบานเบิกบานอะไรครับกลัขบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผู้รู้ก็รู้อนิจจสัตว์สิรู้ตายรักเนื้อผู้รู้อะไรก็รู้อนิจจผู้ตื่นตื่นจากโมหะวิชาความาความหลงความหลงที่ไปทิฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขความที่มันเป็นทุกข์ว่เห็นตายรักรู้ตายรักก็จะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ก็เตือนจากเอามหาวิชาความนุ่มความมืนบอดทางปัญญาเบิกบาเพราะว่าผู้ที่มีเป็นผู้เตือนผู้รู้ละละความโลบความโกรความหลงได้ก็จะเป็นผู้มีความเบิกบานในจิตใจจิตใจมีความสุขจากการที่ได้ลดละกิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจให้หมดไปคุณวัชรพงศ์ครับ น้องการาฟอาจารย์ครับถ้าเรานั่งสมาธิผ่านไปสี่สิบนาทีจะเกิดทุกเขเวทนากับตัวเองและสติกับคำบริกรรมจะไม่นิ่งเหมือนช่วงแรกๆที่เรานั่งภาวนาขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับและตรงนี้เรานั่งแต่ไม่สงบยังได้บุญจากการภาวนาไหมครับคือพอเราพอจิตไม่สงบแล้วพอเราถูกลบเวทนาลบปวดเนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญขึ้นมาอีระดับหนึ่งด้วยการเจริญสติต่อไป คำไปคำต่อไปก็จะทําให้จิตสงบให้ได้อีกครั้งหนึ่งถึงจะได้บุญตอนที่สระ น, นั้นกาลังไปคาดสร้างบุญอยู่แต่ยังไม่สําเร็จทําให้สร้างบุญก็จะไม่ได้บุญไม่จำเป็นที่จะต้องเจรจาต่อไปเรื่อยๆทำคำอะบริกรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะจิตจะสงบอีกครั้งหนึ่งเมื่อจิตสงบ ก, ก็จะได้บุญอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าระดับแรกเพราะมันจะเป็นความสงบที่ลึกเข้าไปน่านิ่งง่ายกวาเดด้วย คุณววัตรครับแม่ฝากเงินไว้ทําบุญแต่ตอนนี้แม่เสียแล้วเวลาลูกเอาเงินแม่ไปทําบุญไปไปเสร็จรับเงินที่ไปบริจาคที่โรงพยาบาลจะต้องใส่ชื่อแม่เจ้าของเงินหรือใส่ชื่อลูกที่ไปบริจาคแล้วลูกอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แม่ครับคือความจริงแม่ให้ให้เงินเรามานี้แม่แม่ได้บุญแล้วเพราะแม่ได้บริจาคได้เสียสละมันกนั้นกันแล้วที่อยู่ที่ว่าเราจะไปเอาไปถับตับที่หน้า บอกให้ทำหรือไม่เท่นั้นเองทําไมบอกก็แสดงว่าเราเราขโมยกันเงินแม่ออริงทีจะว่าขโมยก็ไม่ใช่เพราะว่าแม่เขาไม่ได้ถือว่าเป็นเงินของเขาแล้วเขไวกก้จักไปแล้วะงั้นก็แล้วแต่เราเพราะว่าถ้าเราเก็บไหมก็ถึือว่าแมาทำบุญจับเราก็ได้การทำบุญนี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับก็เป็นใครทำกับวัดก็ได้ทํากับคารวะก็ได้ ทำกับคก็ได้ทำกับสัตว์ในราชายก็ก็ได้การทําบุญนี้บุญเกิดจากการเสียสละแบบกบาปทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองแบบนั้นคุณแด้เขาได้บุญแล้วตั้งแต่ที่วันที่เขาสละเงินทองก้อนนั้นมาฝากเราไว้ก็อยู่ที่เราถ้าเราเอาไปทําต่อเราก็จะได้บุญด้วยเพราะเราไม่เก็บเอาไว้ถ้าเราเก็บเอาไว้ใช้เราก็จะไม่ได้บุญแต่เราจะได้เงินคุณแม่เพราะถือว่าแม่ให้เงินเรา ออก็จะคุณสุวัจน์นาครับขอพระาจารย์ช่วยอธิบายจุดประสงค์และความหมายที่ถูกต้องของการกราบพระสามครั้งด้วยค่ะการกราบพระพุะทธรรมประสงค์ในการกราบสามครั้งคือพระพุทธศาสนานี้ตั้งอยู่บนบ น, บนฐานรากฐานของของพระพุะทธธรรมประสงค์ถ้าไม่มีพระพุทธระธรรมประสงค์ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนานั่นเองเพราต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัดสัุ้ธรรม น้อมองเผยแผ่ทําแล้วกมีผู้ศึกษาปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาก็จะทําให้ศาสนานี้สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะศาสนานี้อยู่ที่การมีผู้ศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมนั่นเองก็จะต้องมีพระพุทธรธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้ทําหน้าที่เผยแผ่คํำสอกับสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าในเวลาเรากราบพระไม่ว่าจะกราบพระสงฆ์หรือกราบพระพุทธรูปเราจะมักจะกราบ พทธประกาศพพุทธเจ้าปะกาศพระธรรมปรกาศสอนประกาศพระอนิสสังสารุปทัยคุณเมาคีครับขอถามครับพระอาจารย์ผมภาวนาจนใจกับกายแยกจากกันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รู้สึกอะไรผมอยากทราบว่าผมต้องปฏิบัติต่อไปแบบไหนครับก็เราไม่สุขไมทุกข์ตลอดเวลาไม่ใช่จะเฉพาะกับร่างกายกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสรับรู้อะไรไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ ใครด่าเราก็ไม่ทุกข์กับการด่าของเขาใครชมก็ไม่ไปสุด ก, กับการชมของเราเฉยๆรู้เฉยๆไปคุณวีรศักดิ์ครับขอเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าในระหว่างการปฏิบัติธรรมไม่ว่านั่งหรือเดินทําอย่างไรให้มีสติแนบแน่นตลอดไม่หลุดครับก็ใช้คาบริกรรมก็ได้ต้องคําบริกรรมอยื่เรื่ยมันก็จะไม่หรือถ้าเดินก็ดูว่าเรากำลังทํามารองเดินดูทําเก้าไปเก้ า, าก็ได้ หรือถ้า น, นั่งก็ต้องมีอะไรให้ดูเช่นดูลมหายใจเข้าออกแทนต้องมีอะไรคอยกับผูกใจไว้ถ้า น, นั่งเฉยๆก็ไม่ไม่มีอะไรผูกใจไม่บริกรรมเดี๋ยวใจก็จะเผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ คุณปุ้ยครับนกมักาตรพระอาจารย์ค่ะตอนนี้เวลาฝันร้ายปุ้ยก็จะเริ่มมัณณโมและสวดมนต์ในฝันเลยแล้วก็จะเริ่มรู้ตัวว่าฝันแต่ไม่เคยแผ่ส่วนบุญเลยคนเราต้องฝึกการแผ่ส่วนบุญให้เป็นปกติหรือคะมันถึงจะเกิดความชินไม่หรอกเราแผ่ส่วนบุญะมพาะเวลาที่เราทำบุญนะนี่เวลาที่เวลาอื่นนี้เราไม่แผ่ส่วนบุญนะถ้าทเวลาเราใส่บาศเส็ยนี้เราก็เราก็แผ่บุญไปในเวลาอื่นนี่เราไม่ต้องแผ่ คุณเอกวัตรครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าต้องอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เราไม่ชอบต้องอยู่บ้านเดียวกันต้องทํำยังไงครับก็ยอมรับเขาไปเสียเยอะว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเรายอมรับเขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับการอยู่หกับเขาที่เราเดือดร้อนเพราะเรารับเขาไม่ได้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนึ่งแต่เขาเป็นอย่างนี้หรือเขาเป็นส้มแต่เราอยากให้เขาเป็นกล้วย ทุกครั้งเจอส้มนกแม่ห่าวแม่อยากให้เป็นกล้วยเห็นแล้วต้องปรับใจเราเราอยากประยาดให้เขาเป็นกล้วยเขาเป็นส้มเราต้องยอมแล้วว่าเราเขาเป็นส้มล้วต้องอยู่กับส้มไม่ได้ท่านนี้คุณสมพรครับขอคําแนะนําพระอาจารย์ปฏิบัติทำอย่างไรให้แยกกายจิตใจให้ตัวรู้เห็นได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราจริงไม่มีอยู่จริง น้องกราบคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับต้องยากด้วยการนั่งสมาธิถึงจะเห็นจริงต้องฝึกสติให้มากๆแล้วนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งเพราะแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะแยกออกจากร่างกายโดยแต่จิตอยู่ตามลําพังของตอนเองยังด้วยทีวิวิธีที่ยากที่ที่ทถูกต้องที่แท้จริงการแยากด้วยความนคิดนี้ยังเป็นการแยากที่ไม่ ไม่ไม่ถูกต้องยกเว้นว่าถ้าเราแยกกายกับจิตได้จากการนั่งสมาธิแล้วเลวลาเราออกจากสมาธิเราจริตกับกายมารวม ก, กันแล้วตอนนั้นใช้ความคิดเตือนได้แต่วจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าเรายังไม่เคยเห็นการแยกกายกับจิตอย่างชัดเจนด้วยสมาธิการที่เราไปนั่งคิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันก็มันเหมือนกับเป็นการหลอกตัวเราเอง เพราะเรายังไม่เห็นของจริงเราไม่เราก็จะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดนี้เป็นจริงหรือไม่ยังต้องเบื้องต้นต้องแยกด้วยการนั่งสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อแยกแล้วขั้นต่อไปก็มายากด้วยปัญญาก็าคือสอนสอนใจว่าน่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นผู้รู้ผู้คิดน่างกายเป็นดินดน้ํำลงไฟผู้รับคําคสั่งของของจิตีที่คุณเกตครับ ฟังธรรมทุกเชา้านั่งสมาธิทำบุญกับโรงพยาบาลแต่ไม่ไหว้พระในวันพระเพราะคิดว่าพระพุทธรูปเป็นเพียงวัตถุท่านฉันไม่ได้ไม่เห็นประโยชน์ของการถวายดอกไม้พวงมาลายัยจะผิดไหมคะโปรดชี้แนะด้วยคะ่ะก็ไม่ผิดหรอกเห็นว่าเราก็อาจจะไม่มีความเคารพในพระพุทธรูปตนนี้พระพุทธ ร, ร, รูปนี้ก็เปลี่ยนกับเป็นตัวแทนขอ ง, รงพระเจ้าดันการที่เห็นพระพุทธรูปนี้ก็คนที่จะกราบไหว้ ว่าถือว่าเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้กราบกราบไหว้วัตถุวัตถุนี้เป็นเป็นเป็นเพลนเหมือนรูปเหมือนเวลาเราเห็นภาพพ่อแม่เนี่เราจะยกมือไหว้ภาพพ่อแม่ก็ได้กลัแสดงว่าเราเคารพพ่อเคารพแม่จะไม่กราบไหว้ก็ไม่เสียหายในตรงไหนเพียงแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้บุญสมนั่นเองจะไม่ถือว่าบาปเป็นบาปเลยใดคุณทีครับ กราบเรียนถามพระ อ, อาจารย์ครับผมภาวนาพุโทโธมีสติบ่อยครั้งแต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิขอคำแนะนำแบบละเอียดครับก็ตลองทำให้มากขึ้นให้มีสติมากขึ้นกว่านี้เแต่ยังไม่ลงแสดงว่าสติเรายงังไม่พอที่จะดึงจิตให้รวมได้ต้องเพิ่มการฝึกสติให้มากขึ้นขออสัก ข้อหนะครับอาจารย์ครับคุณปริชาติปัจจุบันผู้หญิงนิยมแต่งตัวโชว์เรือนร่างออกสื่อในโซเชียลการทําแบบนั้นถือเป็นการยุโยงให้คนเกิดกิเลสไหมคะเป็นการสร้างบาปไหมคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิเลสและก็อาจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระทําบาปขึ้นมาได้เช่นมีการมีการล่วแล้วมิดการทางเพศกันอย่างนี้เป็นต้นนะ ในการข่มคืนและดีไม่ดีอาจจะถึงกับกายค่ากันต่อไปได้ถึงก็ถ้าไม่อยากจะส่งเสริมเรื่องนีงน้่ก็ควรจะแต่งกายให้ไม่ชิดทางศาสานานี้นิยมให้ผู้หญงแต่งกายแบบปกปิดแขนทั้งสองข้างลาบบาร์ทั้งสองข้างแล้วก็ให้ปกปิดถึงเข่าลงไปเสื้อผ้าอ ใ, ให้ปกปิดแทนวิจิตร เพราะว่าเราไม่ได้หวังความสุขจากการมิจา ก, การเสพการเนี่ยเพราะเป็นความสุขแบบที่แบบต่านะครับเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาให้เรามาเสพความสุขที่เกิดจากการทำบุญรักษาศีลการภาวนาจะมีกว่า ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์เรียนว่าวันนี้มีเพื่อนๆนฟังธรรมด้วยกันนะครับในเ c e b o o ก792คนนะครับใน y o u ู u b e 705คนในกรับเ o าส e 18คนวันนี้มีเพื่อนๆนที่ฟังธรรมพร้อมกันตอนนี้อยู่ 1,515 15คนครับพระอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ให้ความสนใจกับพระธรรมคำสอนนั้นประเสริฐของพระพุทธเจ้าแม้วางว่าท่านจะ น, นำมาทำที่ท่านได้ยินคืน นำาอาทานี้ไปศึกษาไ ป, ไปให้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็นำมา ป, ปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุถัดขั้นต่างๆหลังาลจากนั้นท่านก็จะได้เป็นผู้ที่ได้นำทำอันนี้มาช่วยเผยแพร่ให้แก่ผู้อต่อไปอ น, นี้คือสิ่งที่ควรจะทำหลังจากที่มีความสนใจใฝ่ายทำแล้วเขาต้องดำเนินขั้นต่อไปคือศึกษาปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุ เมื่อบรรลุนะ ก, ก็นำเอาธรรมนี้ไปผยแปรก็จะเป็นการชำระความุ่งเพราะพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปได้นานก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ ข, าขอให้ท่านจงนํามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าว ห, หน้าในธรร ม, ม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอสาธุเมื่อเขาลาเป็นหมอแว้นไปเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไร ขัดเข้าก็คงจะได้พบกะันอีกในวันอาทิตย์หน้าเวลาเวลาเดิมครับกลับขอบพระคุณพรอาจารย์ครับขอลาตปก่อนนะครับกลับลาครับผม